เราอาราธนาศินบ่อยเรารับศินบ่อยเราต้องวิรัตไปงดเว้นบ่อยบอย่การที่เราเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้บ่อยบอย่เนืองเนืองมันเป็นการมาสัมรวจตรวจตราดูความบกพร่องของเราเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีมากนะสรวจและสัมรวจอีกกรองแล้วกรองอีกสัมรวจแล้วสัมรวจอีกเพราะถ้าปล่อยเกิดช่องเล็ดรอดออกไปนี่แหละ มันเล็ดลอดเอากองทุกมาทับถมหัวใจของเราเราสำรวจได้เราระมัดระวังได้ความทุกข์มันก็เข้ามาเบียดเบียนหัวใจเราน้อยนี่คือความประสงคือความต้องการของเร า, เาตั้งใจสมาทานศีล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 บททางสระนองกัจฉามิธรรมสระนองกัจฉามิสังฆสระนองกัจฉามิดุตงสระนงกัจฉามิ ดูท hmm. ี่ยัมปิธรรมสระนงคัจฉามิดูที่ยัมปิสัง s ังสระนงกัจฉามิตัดที่ยัมปิบุตังสระนงกัจฉามิตัดที่ยัมปิธรรมสระนงกัจฉามิ ท่าต an ok ียัมปิสังขังสระนองกัจฉามิสเนาะกัมมณังเนปุหิตตังปานอติปตาเวระมณีสิกขาปังสัมมาดิยามิ อาดินนาดานาเวระมณีสิกขาปดังสัมาดียามีอาดินาดานาเวระมณีสิกขาปดังสัมมาดียามีกามสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปดังสะมาดียามี โมสวาเวรมนุสิก้าปังสัมาดียามิสวดาเวรมนุสิก้าปังสมาดยามิสุราเมรยะมัจยะปมัดท้นาเวรมนุสิก้าปังสมาดยามิ มานิปัญจสิกาปานิสิเลนะสุกติงยันเตมสิเลนะภูกะสัมปาสิเลนะนิปุติงยันติตัสมาสิลังวิโสทะย์ โมตสะกวโตอรหะโตสัมมาสัมบุทัสสนโมตัสสะะกวโตอรหโตสัมมาสัมบุทัสสนาโมตัสสะปะกวาโตอรหโตสัมมาสัมบุทัสจากะเลนะธรรมะสวรงเอตมังกาเลมุตตมันติ <c oughs> นั่งฟังสบายๆทาความสงบไปพร้อมทําความสงบใจบริกรรมภาวนาไปพร้อมกับที่เราฟังมันเป็นการตั้งอกตั้งใจฟังเราฟังเทศที่ไหนตอนไหนเมื่อไหร่ก็ตามขอให้เราตั้งใจฟังแล้วก็นั่งภาวนาไปในขณะเดียวกันไม่เสียความเคารพดอกขอให้ตั้งอกตั้งใจฟังไปเถอะมันเป็นการตั้งใจฟัง มันเป็นการตั้งใจสอ ง, สองระดับส อ, สองชั้นะระดับหนึ่งก็คือตั้งใจภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธระดับต่อมาก็ฟังเสียงเทศไปใ น, ในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันเราก็ตั้งใจบริกรรมพุโทโธพุโทโธหูเรายังได้ยินอยู่เราก็ฟังเทศไปด้วยถ้าตกจากเสียงเทศ หรือใคตกจากพุโทโธก็ไปอยู่กับเสียงเทศขยับจากเสียงเทศก็มาอยู่กับพุโทโธพุธโทโธงานทั้งสองอย่างนี้เป็นงานนำเอาคุณสมบัติเข้าสู่หัวใจเหมือนกันพระภาวนาพุโทโธพุธโทโธเราก็ต้องการธรรมะเข้าสู่หัวใจต้องการให้ใจได้รับความสงบเราฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะเข้าใจรู้รู้เรื่องของอัดของธรรม และก็สามารถนำความสงบเข้าสู่หัวใจได้ทั้งสอ ง, ส อ, งอย่างใจเป็นพาชนะเดียวที่คอยรองรับคุณงามความดีเหล่านี้เพราะฉะนั้นพวกเราเป็นผู้ใครในธรรมมีความขวนขวายมีความกุลีกุ จ, จอไครคร้ครวนไตรตรองประกอบคุณงามความดีเข้าสู่หัวใจคุณงามความดีที่จะเข้าสู่หัวใจ ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงให้ความสำคัญที่สุดก็คือคุณงามความดีเพื่อให้ใจได้รับความสุขความเจริญพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญที่ความสุขพระองค์ไม่ให้ความสำคัญไปที่ลาบที่ยศที่เกียรติที่สรรเสริญเพราะสิ่งเหล่านั้นการที่เราตั้งอกตั้งใจแสวงหามาเราตั้งใจแสวงหามาเพื่อความสุขแต่ถ้าหากมาในทางที่ไม่ชอบ แทนที่จะได้ความสุขมันประสบความทุกข์นั่นแสดงว่ามันปีนเกลียวกับหลักคําสอนของพระองค์แล้วเพราะชนะความสุขจึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเราจะสแสวงหาลาบยังไงก็ตามสแสวงหายศหาเกียรติหาหน้าหาตาในสังคมเท่าไหร่ก็ตามถ้าเราลืมศีลลืมธรรมมันจะมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาอาจจะไม่ได้รับ ความสุขในหัวใจของเราก็เปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่เราจะต้องแสดงออกนั้นเราจะต้องสำรวมเราจะต้องระมัดเราจะต้องระวังเราระวังได้ทีไรเมื่อไหร่เป็นสริริเป็นมงคลแก่เราทั้งนั้นโดยเฉพาะในเวลาเช่นนี้เป็นเวลาฟังเทศฟังธรรมแตหากเราตั้งใจฟังธรรมแล้วมันจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองในหัวใจของเรา เพราะการฟังธรรมนั้นเป็นสติเป็นมงคลคําว่าสิติคาว่ามงคลนั้นคือความเจริญที่จะนําเข้าสู่หัวใจทําไมการฟังธรรมจึงนําความเจริญเข้าสู่หัวใจเพราะการฟังธรรมนั้นเราได้ได้ข้อได้อบายได้วิธีได้แนวปฏิบัติและได้รับความสงบสุปลงมาที่สุดท้ายทําให้ใจของเราได้รับความสุขได้รับความผ่องใสในหัวใจของเรา อันนี้คือคุณคุณสมบัติสุดท้ายที่เป็นยอดของสตริที่เป็นยอดของมงคลขึ้นชื่อว่าสตริขึ้นชื่อว่ามงคลนั้นเกิดขึ้นจากการขวนขวายเกิดขึ้นจากการจัด ก, การสร้างการทำทั้งนั้นเราไปดูมงคล38ประการไม่มีมงคลใดแม้ข้อเดียวที่อยู่อยู่แล้วเราก็าจะได้ขึ้นมาไม่ได้ดอก การฟังธรรมนั้นมันเป็นการจุดประกายให้เกิดความรู้เกิดคุณสมบัติซ่อเข้าไปที่หัวใจของเราเพราะฉะนั้นการฟังจึงเป็นสริเป็นมงคลเป็นเหตุให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในหัวใจของเราเช่นอย่างเราไม่เข้าใจเรื่องฐานเราจะเข้าใจเรื่องชาทานได้ชัดเจนดีขึ้นเรื่องศีลเรื่องภาวนาสมถะ ภาวนาวิปัสนาภาวนารวมไปถึงบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องอาจเรื่องธรรมเราก็พลอยได้ยินได้อัดได้ได้ได้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าหากเราตั้งใจฟังไปด้วยภาวนาไปด้วยจิตใจของเราได้รับความสงบอ า, อานิสงส์ของการฟังท่านจึงว่าสุดท้ายทำให้ใจของเราได้รับความสุขได้รับความผ่องใสจิตของเราสงบ ทีไรสงบเมื่อไรจิตของเราก็จะเริ่มผ่องจะเริ่มใสจิตสงบนี่แหละคือจิตพ่องใสจิตสงบสงบจากอะไรสงบจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจา ก, จากสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหล่านั้นถ้าเป็นเรื่องของกิเลสท่านเรียกว่าวัตถุกรรมวัตถุกรมแต่ถ้าเป็นเรื่องของธรรมผู้มีสมาธิดีผู้มีปัญญาดี เอาร <ide> ูปมาพิจารณาเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ยินเสียงเอาเสียงมาพิจารณาเป็นเหตุให้เกิดปัญญาได้เห็นอนิจจังทุกขังจริงทั้งหลายทั้งทางทวารทั้งหกจะมาสัมผัสที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นเป็นเหตุให้เราเกิดปัญญาเป็นเหตุมาจุดประกายให้เกิดสติให้เกิดปัญญาในหัวใจของเรา ใจของเราจะเริ่มรู้เรื่องของรูปรู้เรื่องของเสียงของกลิ่นของรสของสัมผัสเหล่านั้นนี่แหละจะทำให้ใจของเราเนี่ยดึงได้หยุดได้ชะลอได้สงบได้ระงับได้สิ่งที่มีบทบาทที่สุดในหัวใจของเราก็คืออารมณ์ของกามคุณทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสใจของเราไม่สงบไม่สงดมันไปไหนมันไปตามรูปนั่นแหละมันติดรูป ไปตามเสียงมันติดเสียงติดกลิน่นติดรถติดสัมผัสติดเรื่องราวติดปัญหาเรื่องการเรื่องงานสารพัดเรื่องการเรื่องงานสิงเหล่านั้นก็คือเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นนี่เองทําให้จิตของเราว้าวุา่นขุ่นโม่ไปกับสิ่งเหล่านั้นจิตของเราไม่ได้รับความสงบไม่ได้รับความสงัดเรายิ่งวิ่งตามไปเท่าไหร่เราก็ไม่มีปัญญาที่จะแก้ให้จิตของเราได้รับความสงบได้รับความสุ liz. ข ใ, ในสุดเลยหาความสงบหาความสุขไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาสงบสงดกับวิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเภาวนาให้ใจสงบวิธีการนี้เป็นวิธีการที่หาความสุขได้รวดเร็วเราวิ่งตามรูปตามเสียงตามเปลี่นตามรถตามสัมผัสทั้งวันบางทีเราไม่ได้รับความสุขเลยได้รับแต่ความทุกข์ความว่าวุ่นขุนมัวไปทั้งวี่ทั้งวันแต่ถ้าหากเรามาหาวิธีตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั้นนะ่ะครึ่งชั่วโมง ถ้าเราทําได้ตามนั้นเราได้รับความสุขแล้วได้รับความสุขแล้วเช่นอย่างเราเช่นอย่างท่านไม่ให้ท่านให้ตัดท่านให้เราตัด ไ, ไม่ให้เราวิ่งตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสอันนี้ในขณะที่เราตั้งอกตั้งใจนั่งภาวนาเนี่ยเราต้องการจะตัดสิ่งเรานั้นไม่ให้ไม่ให้มาขวนใจของเราต้องการให้ใจของเราได้รับความสงบสงบจากอารมณ์ของกามกามคุณทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละมันทําให้ใจเราว้าวุ่นขุ่นมัวเราต้องการให้ใจเรามีความสุข ได้อย่างรวดเร็วทันการเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราต้องมีหยุดพระองค์หยุดไม่ให้เราวิ่งตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสแต่เราต้องการให้ใจเ้าหยุดอย่างเดียวโดยที่ไม่มีงานทําไม่ได้เราจะต้องมีงานให้เ้าทําเพราะฉะนั้นงานประเภทกําหนดจดจ่อให้มีอารมณ์อยู่อันหนึ่งเดียวท่าเรียวกว่างานสมถะงานสมถะ จชอย่างพุทธโธพุธโทโธพุธโทโธมีสติกำหนดจดจ่อกำกับดูแลจิตของเราให้จิตของเรามาหมุนมาพิจารณาอยู่กับคำว่าพุทธโธพุทธโธคำว่าพุทธโธพุทธโธนี้มันเป็นพุท ธ, ธานุสติตามระลึกถึงบุญถึงขุนของพระพุทธเจ้ามันเป็นการพัฒนามันเป็นการสร้างสรรหัวใจของเราที่สำคัญที่สุดก็คือใจเราไม่สงบนั่นแหละ ขอให้เราตั้งอกตั้งใจดารงบริกรรมไปจิตอยู่กับพุทโธอารมณ์หนึ่งเดียวได้นานๆครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเป็นต้นไปจิตของเราก็จะเริ่มอิ่มแต่หมายความว่าจะต้องมีสติกำกับกาหนดจดจ่ออยู่ในนั้นแต่ถ้าหากเขาไม่อยู่ในอารมณ์หนึ่งเดียวตามกำหนดพิจารณาขยับขยายมาที่เวทนาขยับขยายมาที่อารมณ์ของจิต อะไรอะไรก็ตามที่มาสัมผัสสัมพันธ์เป็นเหตุให้เกิดอารมณ์กระทบมาที่จิตเราไปใช้สติใช้ปัญญาเราพิจารณายนอ่นก็ไปพิจาณายนอ่นกลับมาพิจญายนั่นกลับไปพิจรณายนันกลับมาใช้สติกำหนดจดจ่อพิจารณาอยู่อย่างนี้มันเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานมันเป็นอารมณ์ของปัญญาหรือมันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาก็เป็นเหตุให้หยุดชะลอสงบระงับกามคุณทั้งหลายที่จะมากอ่อกวนวุ่นวายหน่วยใจของเราได้ วิธีอยู่กับอารมณ์อันเดียวนั้นทนว่าเป็นวิธีการของสมถะเพราะฉะนั้นให้เราตั้งอกตั้งใจทำไปเถอะไอ้คาว่าสมถะกับวิปัสสนานั้น่ะมันเกิดที่ใจของเรานั่นแหละหากเราแยกมาพูดกันเฉยๆเยท่านั้นเองโอว่าสมถะโอ้วิปัสสนาเวลาเจ้าของทำเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยเรามานั่งคร่ครวญดูเราจะรู้อยู่แก่ใจของเราเองว่าภายในใจของเราเนี่ยสมถะสมถะเป็นไงมีปัญญาอยู่ในนั้นไหม วิปัสนาวิปัสนามีปัญญาอยู่ในนั้นไหมมีสมาธิอยู่ในนั้นไหมสติสมาธิปัญญาเขาจะทํางานประสับประสานกันไปทุกระยะทุกเวลาเหมือนกับรูปธรรมของเรากับนามธรรมาของเรานั่นแหละแท้ที่จริงอารมณ์เหล่านี้ก็คืออารมณ์ที่เป็นทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมานั่นแหละที่เรามาทํางานตะล่อมเข้ามาแต่มันเป็นหัวหน้างานหนึ่งเดียวที่จะทําให้เรางานของเราดิบดีขึ้นได้รับผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในหัวใจของเรา ก็คือความกำหนดจดจ่ออยู่กับอารมณ์ในปัจจุบันตัวที่มากำหนดจดจ่อให้เราเด่นชัดรู้เห็นเด่นชัดอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันก็คือตัวกำหนดสติสติคือความกำหนดรู้คือความระลึกรู้มันก็เกิดจากใจของเรานั่นเองใจของเรานั่นแหละเป็นท่ารู้เป็นผู้รู้บางครั้งเป็นท่ารู้เป็นผู้รู้ที่มีสิ่งที่ไม่ดีไปเคลือบแฝงไปปนเพื่อนเข้ามา เช่นอย่างอารมณ์ของอวิชชาตันหาอุปาทานมันเคลือบมันแฝงเข้ามามันเป็นเรื่องอารมณ์ของกิเลสพระยาพุทธเจ้าท่านจึงให้ทำทํางานพุทโธพุทโธหรือไม่ครัตามกําหนดดูเวทนาดูจิตดูจิตดูเวทนาดูเวทนาดูจิตดูความขึ้นขึ้นลงลงของจิตของเราดูอารมณ์ความดีใจในจิตของเราดูอารมณ์ความเสียใจในจิตของเราการกําหนดจดจ่ออย่างนี้ก็เป็นการเจริญตามหลัก มหาสติปัฏฐานะเป็นจิตตานุปัสสนาหรือเป็นเวทนานุปัสสนาแม้แต่พุทโธพุทโธกำหนดด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกนี่มันก็เป็นพุทธานุสติอันนี้มันก็เป็นกายานุปัสสนาลมนี้เป็นกายเวลาเราทําไปจริงจังแล้วมันจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะขอให้เราตั้งอกตั้งใจทํามันจะเป็นสมัมถะทาเพื่ออะไรมันก็เป็นไปเพื่อสมถัถะทั้งนั้นคําว่าสมถะสมถะนี่คือความสงบอะไรสงบ กิเลสสงบอารมณ์กามทั้งหลายในหัวใจของเรามันสงบมันจะสงบไปในแง่ไหนก็ตามเถอะทาให้ใจของเราผ่องใสพอมันเริ่มสงบปั๊บใจของเราจะเริ่มผ่องเริ่มใสนะแต่ถ้าหากเราใช้ปัญญาพิจารณาสืบเรื่องต่อจากความสงบนั้นแล้วก็ทําให้เราได้รับความรู้รู้ที่ไปที่มาของมันในขณะที่เราตั้งอกตั้งใจทํานั้นมันก็เป็นการเจริญธรรมตะเรียกว่าธรรมกรรมวิบาก ผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมทั้งหมดพุโทโธพุโทโธพุทโธหรือไม่ก็ตามกําหนดดูกายดูเวทนาตามกําหนดดูความยินดีของจิตความยินร้ายของจิตมันก็เป็นเรื่องของการเจริญธรรมเข้าสูงไว้ใจทั้งนั้นท่าเรียกว่าธรรมกรรมวิบากในขณะที่เราทํานั่นแหละท่าเรียกว่ากิริยาของกรรมเป็นธรรมเป็นกรรมเป็นวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมแต่ถ้าหากเราไม่เอาใจเขาเรามาใช้งานตรงนี้มาทําให้เกิดประโยชน์ตรงนี้ กิเลสมันจะมันก็จะเล่นงานถ้าเราปล่อยให้กิเลส เ, เล่นงานในหัวใจของเรามันนึกรักนึกชังนึกโกรดนึกเปรียด น, นึกอิจฉาทิษยานึกพยาบาทนึกหาเรื่องก่อกวนวุ่นวายอยู่ในหัวใจของเราทั้งวี่ทั้งวันในเมื่อกิเลสมันทํางานในขณะที่มันทํางานมันก็เป็นกรรมผลรายได้เพราะมันก็เป็นวิบาสนี่กิเลสกรรมวิบาสกิเลสกรรมวิบาสผลรายได้เป็นเรื่องของกรริเลส เราต้องการจะเป็นผู้มีอัตมีธรรมเราจะต้องมาเจริญธรรมเป็นธรรมเป็นกรรมเป็นวิบากสมถะธรรมวิปัสนาธรรมนี่แหละเป็นธรรมเป็นกรรมเป็นวิบากอันนี้เราควรจะยึดให้เป็นอาจินตกรรมประจําชีวิต จ, จิตใจของเราเพราะจิตใจของเราทุกคนไม่เคยมีชีวิตจิตใจของใครแม่หนึ่งเดียวที่คงที่อยู่กับที่ไม่มีแหละเพราะอายุของเรามันจํากัด คำว่ า, าอายุของเราเนี่ยมันจะยืดยาวไปตามการไปตามเวลา60ปี70ปีหรือตั้งแต่เราเกิดมาหรือตั้งแต่เราเกิดมาใหม่ๆนู้นสดๆร้อนๆอยู่ในท้องแม่เราดูที่เกิดขึ้นปุ๊บเดียวเป็นกองสังขารกองอยู่ในท้องแม่นั่นน่ะนั่ น, น, น, น, นคือคืออัตรภาพร่างกายของเราหลังจากเกิดขึ้นมาแล้วคือกองสังขารเกิดกองสังขารเหล่านี้เกิดพอเวลาเกิดขึ้นมาแล้วไม่เคยคงที่ไม่เคยอยู่กับที่ ไม่อยู่กับที่นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านทรงเรียกว่าทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังอนิจจังกับทุกขังนี้ไม่มีใครสามารถไปดัดไดไ้ไม่มีใครสามารถไปแปลงได้ความร้อนความเย็นเราสามารถดัดได้แปลงได้ความมืดความสว่างเราสามารถดัดได้แปลงได้แต่ลักษณะของกองสังขารที่เรามีด้วยกันนี่แหละไม่มีใครสามารถดัดแปลงได้ พระพุทเจ้าท่านใช้วิธีการของพระองค์นั้นมาตามรู้ตามเห็นตามพิจารณาแล้วก็ตามปรงตามปล่อยตามวางอารมณ์ภายในกายอารมณ์เกี่ยวกับกายหรือรวมไปถึงรูปกายทั้งหมดเนี่ยท่านให้พิจารณาเพื่อให้รู้เท่าทันความเป็นไปเป็นมาแล้วก็ปล่อยไม่ยึดไม่ถือไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุ ป, ปาทานอารมณ์ภายในใจของเราจะเป็นเวทนาจะเป็นสัญญาสังขารวิญญาณใดๆก็ตาม ท่านให้กำหนดรู้แล้วก็ปรองแล้วก็ปล่อยก็ไปยึดอะไรให้เป็นไปตามใจหวังของตัวเองไม่ได้สักอย่างต้องการให้มันอยู่คงทนถาวรก็อยู่ไม่ได้ไม่ต้องการต้องการให้มันไม่เปลี่ยนไปให้มันเที่ยงคงอยู่กับที่มันก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยเหตุที่เรายึดเราหมายให้เป็นไปตามใจหวังของเราไม่ได้สักอย่างอย่างนี้พระองค์จึงทรงตรัสว่านี่แหละอนัตตานี่แหละอนัตตาคําว่าอนัตตาไม่ใช่ว่าไม่มีไม่มีสภาวะให้เราดู ภาวะของอนัตตามีให้เราดูอยู่เช่นอะไรล่ะเช่นอย่างอัตภาพร่างกายของเรามีให้เราดูไหมอัตภาพของท่านมีให้เราดูไหมอัตภาพของตัวเราเองมีให้เราดูไหมมีให้เราดูแต่เรากะเกณให้มันเป็นไ ป, นปนตามใจของเราไม่ได้เหมือนเราต้องการให้ไฟดับเนี่ยเอาไฟจุดดับไฟจุดดับไฟจะไม่ดับเพราะความคิดของใจอย่างหนึ่งเหตุปัจจัยที่ทําให้ไฟในนี้สว่างเข้าไปอย่างหนึ่งหรือต้องการให้เสียงดับเสียงดับ ความต้องการของเราของเราอีกอย่างหนึ่งเหตุปัใจจัยให้เสียงมันดังขึ้นมันก็เป็นเหตุปัจจัยอีกอันหนึ่งสมมุติเราดับไฟแช็ดมืดลงเราไปดับที่สวิตมันแช็ดไฟก็มืดลงเราต้องการให้ไฟสว่างไฟจงสว่างไฟจงสว่างถ้าเราไม่ไปกดมันก็ไม่สว่างนี่คือความปรารถนาของใจความปรารถนาของใจที่เป็นไปไม่ได้นั้นมันเป็นความปรารถนาตามอํานาจของกิเลส เพราะฉะนั้นกิเลสในหัวใจของเรามันต้องการให้ร่างกายนี้คงทนถาวรไม่ต้องการให้ร่างกายนี้เปลี่ยนไปเป็นนิจจังเป็นสุขขังนะทั้งนทั้งทั้งนิจ ท, ทั้ทงอนิจจังทั้งทุกขังนะั้นไม่มีใครสามารถจ ะ, จะดัดแปลงให้เปลี่ยนอย่างอื่นไปได้ไม่เหมือนวัตถุอย่างอื่นเขาสามารถดัดแปลงได้เช่นอย่างกระแสน้ำนี่มันไหลลงอยู่สี่ต่ำเราสามารถดัดแปลงได้ ความมืดดัดแปลงให้สว่างท่านสามารถดัดแปลงให้สว่างได้ความร้อนดัดแปลงให้มันเย็นท่านสามารถดัดแปลงให้มันเย็นได้แต่อันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่มีใครสามารถให้ดัดแปลงได้พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่านี่แหละอนัตตานี่แหละอนัตตาไม่ใช่อัตตามันไม่ใช่เราถ้าเป็นเราเราต้องบอกได้โดยเหตุที่ไม่ใช่เราพระพุทธเจ้าท่านพูดเอ า, า, เอาง่ายๆเฉยๆอย่างนี้เองแต่เราเข้าใจตามไหมท่านพูดตรงมาก เพื่อที่จะให้เราเข้าใจตามท่านได้แต่เราตามเข้าใจได้ยากเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้ไปขัดไปสีไปถูไปไถให้เกิดความด้วยเกิดความเข้าใจตามพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นเราจรึงเข้าใจหลักธรรมชาติเหล่านี้ได้ยากมากด้วยเหตุที่ดัดแปลงไม่ได้ร่างกายอัตภาพร่างกายสังขารของเราทั้งรูปปสังขารทั้งนามปสังขารโดยเหตุที่เราดัดไม่ได้เราแปลงไม่ได้ตามอํานาจของกิเลส พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาตรงกันข้ามกับพวกพราหมณ์เขาต้องการให้เป็นอัตตาอัตตาเช่นอย่างรูปปัสมาบัติรูปอรูปปัสมาบัติคือความสงบของใจโอ้เป็นความสงบที่ยิ่งใหญ่มากรูปปัสมะบัติอรูปปัสมาบัติมันเป็นความสงบของจิตในระดับละเอียดทั้งรูปปิชาตทั้ง ล, ะละักษณะของอรูปปิชาต์แต่พระพุทธเจ้าท่านทรงพิจารณาแล้ว รูปปสมาบัติอารม ป, ปรสมาบัติของพวกพรหมนั้นน่ะไม่ใช่ว่าจะเที่ยงไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะคงทนอยู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นใครยังมีทรงอารมณ์อยู่อย่างนั้นตายปุ๊บไปเกิดในพรหมโลกเกิดในพรหมโลกก็มีพรหมโลกในะอะไรจํากัดในในขณะเดียวกันก็มีอายุจํากัดสักหน่อยหนึ่งอายุบนพรหมโลกเด็วก็หมดพอหมดแล้วก็ตกลงมาอีกแล้วที่ไปอยู่ในพรหมโลกได้ก็ไปอบัตตามอํานาจของบุญของกรรมที่เราสร้างเราทําได้เราทําได้ ลึกละเอียดขนาดไหนเราก็สมาสมารถไปอุปบัติได้ตามนั้นเพราะมันมีสถานที่จํากัดคือสถานที่คือพรอมโลกนั่นเองจํากัดเพราะฉะนั้นพวกพรอมเขาจึงตั้งความสําคัญของศาสนาเขาว่าเป็นอัตตาอัตตานั่นแหละนั่นแหละคือนิพพานของเขาคืออัตตาเขาต้องการให้มีตัวมีตนถ้าไม่มีตัวไม่มีตนแล้วเอาอะไรไปเสพสุขเอาอะไรไปสวยสุขเนี่ยเขาให้ความหมายตรงนี้แต่พระพุทธเจ้าท่านว่าไม่ใช่ถ้าเป็นตัวเป็นตนตแล้วเราจะต้องบอกมันได้ ไม่ต้องการให้แก่ไม่ต้องการให้เจ็บไม่ต้องการให้ตายเราต้องบอกมันได้โดยเหตุที่เราบอกไม่ได้พระองค์ก็เลยปล่อยพิจรารณาให้รู้เท่าทันตามที่มันมีตามที่มันเป็นอะไรก็มายึดสักอย่างรูปธรรมก็ยึดไม่ได้สักอย่างนามธรรมาเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณก็ยึดไม่ได้สักอย่างพระองค์ก็เลยพิจรารณาลงปล่อยไปหมดหลังจากพระองค์ปล่อยไปหมดนั้นน่ะพระองค์จึงเข้าถึงประมังสุขขังได้แต่พวกพราหมณ์นั้นน่ะ เขามีบุญญาบารมีแค่นั้นเขาไม่ได้สร้างบุญญาธิการเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราโดยเหตุที่พระพุทธเจ้าของเราท่านสร้างบุญญาธิการท่านจึงสามารถมีกลอุบายมีวิธีรู้ว่าเอ๊นี่ไม่ใช่เหมือนอย่างพระองค์ไปเรียนกับอราราตะบดจบสมาบัติเจอุทกตาบดจบสมาบัติ8เนี่ยอาจารย์บอกว่าจบแล้วพระองค์ย้อนมาดูพระไถ่ของพระองค์นะ่ยยังมีกองทุกข์เต็มแปร่อ ย, อยู่ในนั้น มีความทุกข์ห่วงใยวิตกกังวลสารพัดอยู่ในนั้นเอ๊ไม่ใช่ไม่ใช่พระเจ้พระองค์จึงปฏิเสธว่าไม่ใช่อันนี้คือนิพพานของพวกพราหมณ์เพระาะฉะนิพพานของพระริเจ้าจึงละเอียดลึกไปกว่านั้นทําลายหมดอัตตาตัวตนเราคิดว่าเราคิดดูสิว่าพระพุทธศาสนานั้นประโยอบัตท่ามกลางอัตตาอัตตมันประโยอบัตเป็นอนัตตาอนัตตาซึ่งเป็นเรื่องทา้าทายพวกพราหมณ์มากและพระองค์ยืนกระต่ายขาเดียวใครจะมาเถียงโต้เถียงยังไงก็ตาม พระองจะทรงตรัสว่าไม่มีใครสามารถจะดัดแปลงให้เป็นอื่นไปได้นี่แหละคืออนัตตามันเป็นอัตตาที่ไหนไม่มีอัตตาพระองก็ปล่อยทั้งหมดเพระะัชนะกิเลนในพระทัยของพระองค์ที่เคยเกาะเกี่ยวมากีกับการปูเรชาต์ก็ละลายเสื่อมสลายเหือดแห้งไปหมดตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบรู้มารู้อีกทีหนึ่งว่าพระองค์ได้อาสวัคยาญาณในปัจฉิมยาม ปัดชิมยายามสุดท้ายในวันเพ็ญเดือนหกนั้นน่ะนะหลังจากพระองค์เห็นภพชาติของโอเกิดดับเกิดดับเกิดตายเกิดตายเกิดตายเห็นภพชาติของสัตว์หลายเกิดตายเกิดตายด้วยอํานาจของบุญของกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพอมาปัฏชิมยายามพระองค์ก็ใช้สติใช้สัมผััญญะใช้ความสงบใช้ปัญญาหมุนอยู่ตรงนี้หละเอาเป็นว่าสติสัมผัสัญญาปัญญาหมุนกันเป็นคงจับอยู่ในหัวใจอะไรในที่สุดก็ไปแผ่เผากิเลสตัณหาอาสวะ ที่มันกองอยู่ในพระทัยของผมให้เหือดไปแห้งไปหายไปหมดจากขันธสันดานทําให้พระองค์พอพระทัยนั้นในวันเกิดเดือนธนั่นเองนี่พระพุทธเจ้าท่านสามารถพิจารณาตรงนี้เข้าถึงความสุขอย่างเต็มที่ที่ท่านเรียกว่าประมังสุ ข, ขังประมังสุ ข, ขังนี่คือความสุขสูงสุดที่พวกเราทั้งหลายสแสวงหาเราสแสวงหาข้างนอกเราก็สแสวงหาเพราะว่าร่างกายของเราเนะื่องเป็นเรื่องของข้างนอก มันต้องการอาหารเราก็สแสวงหาอาหารมันต้องการที่อยู่ที่อาศัยบ้านช่องเรือนชาญเราก็สแสวงหาเพื่อทําอยู่ทำอาศัยต้องการเสื้อผ้าพ่อต้องการหยูยามารักษาโรคเราก็สแสวงหาทรัพย์สมบัติเหล่านี้แหละมาเพื่อที่จะมาดัดมาแปลงมาใช้มาสอยแต่สิ่งที่จะอุปถัมภ์บำรุงจิตใจของเราให้เป็นไปในทางที่ดีที่ชอบนั้นแหละต้องอาศัยธรรมะอาศัยวิชาการที่พระพุทธเจ้าท่านสอบท่านทรงบอกทรงสอน นับตั้งแต่การให้รู้จักทานขยับเข้ามารักษาศินขยับเข้ามารู้อยากภาวนาเพื่อต้องการความสุขที่ละเอียดที่ประณีตลึกขึ้นไปต้องการทําให้เกิดขึ้นในขันธสันดานของเราทานเราทานไม่อดไม่อั้นเราจะพูดถึงทานทานพื้นๆธรรมดาของพวกเราหนะ้าสู้พระสวัสดิ บ, บาลท่านทานไม่ได้พระสวสดา บ, บาลท่านมีความเลื่อมใสศรัทธาทานจนเหมือนหมดเนื้อหมดตัว เช่นอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างเหลือจานข้าวสุดท้ายกําลังจะยกเข้าปานะ่าเน่ยหิวอยู่อ่อย่างอื่นให้มูบริโภคไปหมดแล้วเหลือจานสุดท้ายกำลังจะตักข้าปา่อาอ้าวยังมีคนยังไม่อิ่มมาอยกยังหิวอีกมาให้เขาอ่าจานสุดท้ายนั้นแนหะเห็นความสําคัญในการที่ให้เขาไปบริโภคนั่นแนหะมากกว่าที่จะของเจ้าของจะเอามาบริโภคเองเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้คุณธรรม เป็นพระโสะดาบันสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่นั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงให้พระสงฆ์ไปสวดเป็นเสขะบุคคลผู้ที่พระสงค์ไปสวดเป็นเสขาบุคละะบคลแล้วแต่หมายต้องหมายความว่าคนนี้ต้องเป็นผู้ได้คุณธรรมตั้งแต่พระโสะดาบันเป็นต้นไปเพราะพรงนี้ให้จนหมดเนื้อหมดตัวเอาทานก็เราไปเทียบไปได้ดอกตรงนี้ให้จนให้จนไม่มีอะไรจะกินก็ยินดีจะให้ทานหมดทุกระยะทุกเวลานี่คือทาน ทานของภายนอกทานของภายในรวมไปถึงธรรมทานรวมไปถึงอภัยทานพวกเราก็รู้เราเข้าใจเอาหมดรวมไปถึงว่ า, <ème. S 1> บ, าบริจาคังหรือบริจาบริจาบริจาคจากคะจากคะการบริจาคเนี่ยบริจาครวมไปถึงว่าบริจาคสิ่งของภายนอกด้วยบริจาคสิ่งของภายในด้วยบริจาคอารมณ์ที่เป็นเหตุปัจจัยเพื่อทําลายความสงบสุขด้วย บริจาคความโลภความโกรธความเอชาดิษยาบริจาคความจ่าฆ่าคือเสียสละความยินดีความยินร้ายมันละเอียดลึกไปถึงนั้นนะเป็นคุณธรรมที่พระองค์เอามาจําแนกแจกจายบอกสอนนะบริจาควัตถุพื้นพื้นธรรมดาบริจาคทานนะบริจาคเสียสละอภัยให้อภัยเป็นทานเนี่ยเอาให้เกลมันขาดเหมือนหางยินจกขาดอินแล้วูได้วเพราะอะไรเพราะเราไม่ยอมตามใจมันให้อภัยเป็นทาน ถ้าใครตั้งตั้งพื้นเพจ์จิตนิสัยให้ความอาภัยเป็นฐานแล้วคนนั้นภายในหัวใจของคนคนนั้นจะมีความชุ่มเย็นเป็นสุขอยู่นั่นแหละตลอดนะไม่มีใจเร่าร้อนกระวนกระวายไม่ขมง้งฉงเค็งนะไม่งดงุดหงิ ด, งดมีความชุ่มเย็นมีเมตตามีกรุณาอ่าเป็นพื้นเป็นบาทเป็นเยือกเย็นอยู่ในนั้นแหละได้รับความสงบได้รับความสุขต้องการามาภาวนาใจสงบเร็วนี่ คือพื้นพื้นฐานธรรมดาเราขยับเข้ามารักษาศีลนี้ละเอียดเข้ามาอีกแหละต้องมีข้อปฏิบัติขั้นทานก็มีข้อปฏิบัติขั้นศีลก็ต้องยิ่งมีข้อปฏิบัติเข้าไปอีกอย่างศีลข้อหนึ่งข้อ2ข้อ3เนี่ยข้อ4ข้อ5แต่ละข้อแต่ละข้อมีข้อปฏิบัติทั้งนั้นแหละข้อปฏิบัติเหล่านี้เราปฏิบัติเพื่อที่จะละที่จะปล่อยที่จะวางไม่ล่วงไม่ละเมิดลองล่วงลองละเมิดแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อมันมีเวรมีภัยมีบาสมีกรรมตามมา ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็ตามมาเนี่ยตั้งใจรักษาสินปั๊บแค่สินห้าไม่ต้องพูดถึงศินแปไม่ต้องพูดถึงศิน10ศินสองี่สิบเราต้องการต้องการรักษาศินให้บริสุทธิ์เนี่ยเราตั้งใจเผานายจิตได้รับความสงบจิตก็สามารถสงบได้เพราะนิพพานของพระพุทธเจ้าเนี่ยแค่ศินห้าตั้งใจรักษาให้บริสุทธิ์ทําใจให้ได้รับความสงบ เอาความสงบของจิตมาพิจารณาเรื่องอ่าเรื่องธรรมสามารถเข้าใจเรื่องอัาเรื่องธรรมและจิตก็เป็นไปได้การตัดกิเล็ดก็เป็นไปได้เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องรักษาศินแปดสินสิบินสองรี่สิบหรือไม่ก็สามร้แต่ถ้าใครมีความรักชอบใจต้องการรักษาสินแปดเพิ่มสินก็เข้าไปอีกต้องการรักษาศิน10เป็นสินสามเณรศินสองี่สิบพระเจ้าประสงค์ก็ละเอียดเข้าไปอีกศิน311ก็ละเอียดเข้าไป หมายความว่าวางกรอบให้ตัวเองละเอียดให้ถียืมเข้าไปอีกให้เป็นเครื่องเครื่องบังคับเพื่อที่จะปิดช่องรั่วไหลจากกิเลส ต, ตัณหามันทลักเข้ามาในหัวใจของเราเพราะแต่ละข้อแต่ละข้อมันมันเท่ากับรูแต่ละรูแต่ละรูแต่ล ะ, ละช่องแต่ละช่องที่มันทลักทะลวงเอากิเลสตัณหาอาสวะมาทับถมหัวใจของเราเร า, เราตั้งใจรักษาศีลเพื่อปิดเพื่อกั้นช่องอุบายเหล่านี้เองนะ เรารักษาศีลอะไรก็ตามเราตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้จิตของเราเป็นไปเราจะต้องทําใจให้ได้รับความสงบเมื่อใจได้รับความสงบแล้วเราสามารถขัดสีธรรมให้เกิดขึ้นใน ห, หัวใจของเรามันก็สามารถจะพอเป็นไปได้เหมือนอย่างท่านอุปมาเหมือนกับว่าสีไม้เกิดไฟสีไม้ให้เกิดไ ฟ, ไ เ, ดไฟเราอยู่ครองเรือนนี่แหละท้าเรียกว่าเป็นผู้บริโภคกรรม มีกายไม่ยังไม่ออกจากกามมีจิตยังไม่ออกจากกามในขณะเดียวกันเราก็บริโภคกามอีกอไม้สดด้วยชุบด้วยยางด้วยและยังแช่อยู่ในน้ําอีกนี่ท่านเปรียบอุปมายอย่างนี้ถ้าเราต้องการเอาไม้ น, นั้นมาเสียเกิดไฟเป็นไฟไม่ได้ดอกพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเน่อยเปล่าเนื่อยเปล่าเหนื่อยเปล่าหมายความว่าไม้ที่จะามาสีให้เกิดเป็นไฟได้นั้นจะต้องเป็นไม้แห้งเรามีกายออกจากกาม เรามีกายยังไม่ออกจากกามแต่เราสามารถเอาจิตออกจากกามได้เพราะจิตเริ่มสงบคือจิตของเราจะเริ่มออกจากกามจิตเริ่มออกจากกามหมายความว่าไมาด้ดุนนั้นะ<ม>เริ่มแห้งพราอจิตเริ่มสงบได้ตามต้องการต้องการให้จิตภาวนาจิตได้รับความสงบไม่ว้าวุ่นคุนมัวอยู่กับอารมณ์ของกามคือจิตของเราได้ร Sci ับความสง บ, สงบเหมือนกับไม้ดวงไม้ท่อนนั้นแห้งเราเอาไม้แห้งๆนั่นแหละไปเสียเกิดไฟ มันก็พอจะเปลียนไปได้ก็เหมือนอย่างพวกเราเรียนรู้หมดแล ะ, ละอริยสัจธรรมอันนี้จังทุกขังอนัตต า, าปฏิจจสมุปบาทอริยสัจสีอริ ย, ย, 4, รยาามรรอยงแปดพวกเราเรียนรู้เข้าใจหมดวิธีการบำเพ็ญทําให้เกิดวิริยะอุสาหะความภาคความเพียรแต่ว่าเราทําหยุดทําหยุดทําหยุดเราทําไม่ต่อเนื่องเหมือนกับเราเอาไม้แห้งๆนั่นแหละไปสี แทนที่จะสีไปอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่องสีสีสีแล้วก็หยุดสีสีสีแล้วก็หยุดไฟที่จะพึ่งเกิดขึ้นจากการเสียดสีมันก็จะเกิดเป็นไฟจะเกิดขึ้นเป็นเปลวไฟให้เราได้ใช้ได้สอยมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่จะทําให้ได้เปลวไฟไฟที่จะเกิดขึ้นมาเป็นเปลวไฟได้ไฟใช้ จะต้องทำไปอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องหนักหน้าเข้าไปเรื่อยรู้ว่าไฟใกล้จะติดแล้วมีควันปรากฏมีเขเมเหลาดำๆปรากฏมีถ่านแดงๆปรากฏขยับไปจนลุกฟึบได้เปลวเป็นเปลวไฟได้ไฟใช้หมายความว่าเราตั้งใจเผาไหนาใจได้รับความสงบแล้วมาพิจารณาอนนี้อย่างทุกขังอนัตตาพิจารณากลับไปกลับมาถอยไปถอยมาทั้งรปูปธรรมทั้งนามธรรมา พิจารณาดูกายย้อนมาดูที่จิตพิจารณาดูเวทนาแล้วก็ย้อนมาดูที่จิตย้อนดูที่จิตแล้วไปดูที่กายย้อนไปดูที่เวทนาดูไปดูมาเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นเจ้ากี่เจ้าการให้เห็นเจ้าของมันที่มันคอยมาเกาะมายึดว่าเป็นเราเป็นของของเราอัตตาตัวตนมันโผล่มามันโผล่มาตรงที่ทตัณหาเมกเกาะพอตัณหาเมกเกออาะหัวใจของเราปั๊บโอ้อัตตาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วเราใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาพิจารณากาหนดจดจ่ออยู่ตรงนี้ เพื่อเป็นการทำลายอัตตาตัวตนที่มันจะคอยโผล่ขึ้นมาในหัวใจของเราจนสามารถเห็นหน้าเห็นตาสามารถเกิดปัญญาสามารถเกิดปัญญายานได้เพราะฉะนั้นครูบาญาณที่ท่านถูไม้เพื่อที่ให้เกิดไฟตรงนี้แหละท่านถือว่าเป็นงานที่หนักมากแต่ละองค์แต่และท่านท่านถือว่าเดนตายเดยนตายเดยนตายเพราะขัดสีตรงนี้แหละต้องการให้เปลวไฟมันพุ่งขึ้นมาปรากฏอยู่เฉพาะหน้าแต่ถ้า มีควันปรากฏขึ้นแล้วมีฐานดำๆมีฐานแดงๆปรากฏขึ้นแล้วหยุดอ้าวเปลวไฟที่จะเกิดขึ้นก็เกิดไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนี่เราอุปมากับความภาคความเพียรในหัวใจของเราถ้าเราทําไม่ต่อเนื่องทําหยุดทําทําล้วแล้วก็หยุดทําทําแล้วก็หยุดแต่เราไม่จับไม่ปล่อยเอาชีวิตเป็นเดิมพันทําจากนี้ไปจนตายจากนี้ไปจนตายถึงแม้ว่ามันยังไปไม่ถึงที่สุดมันก็ได้ขยับหน้าก็าไปเรื่อยขยับหน้าเข้าไปเรื่อย แต่ถ้าทํารวดเดียวเห็นโทษเห็นภัยจริงๆเต็มที่เอาเป็นเอาตายใส่เข้าไปเหมือนครูบาอาจารย์ท่านว่าไม่ตายให้ตายให้ได้ไม่ได้ให้ตายไม่ตายให้ได้ไม่ได้เอาฟึบเอาจนเปลวไฟติดนี่ก็ถือว่าการขยับเพื่อเป็นการต่อสู้กับกิเลสตันหามันหนักถึงขนาดนี้ครูบาอาจารย์ท่านจีว่าหนักหนักนกว่า ง, งานทำทำงานทําการทั้งหลายทั้งปวง รวมไปถึงระยะรวมไปถึงเวลารวมไปถึงวิธีการรวมไปถึงการกําหนดจดจอมันหนักถึงขนาดนั้นปล่อยไม่ได้วางไม่ได้นี่เราพูดถึงว่าเราหาความสงบพื้นพื้นไปจนถึงความสงบสูงสุดจนสามารถตัดรากตัดเง้าของอวิชชาตันหาวปาทานได้เราต้องมีการกระทําการหนักห น, กหนาสาหั ส, หส ถ, ถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นพวกเราต้องการความสุขความเจริญให้เรารู้จักว่าเราแสวงหาทราบก็ขอให้เราได้ทราบ การที่เรารู้มีวิชาการมีความรู้รู้จักที่ไปที่มารู้จักวิชวิธีวิธีการจัดการรู้จักความอุตสาหพยายามขยันมันเพี้ยนแสวงหาเพื่อฉลาดเพื่อใช้เพื่อส้อยเพื่อได้ผลงานตอบแทนขึ้นมาสิ่งที่เราได้มามีสิ่งที่ตามมาเป็นลาเป็นยศเอ่ยเป็นเกียรติเอ่ยแล้วก็มีชื่อมีเสียงมีหน้ามีตามีมอะไรตัวาะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ได้มาเพื่อความสุขในหัวใจของเรา แล้วก็เพิ่มภูนให้เราเป็นคนดีเป็นกัลยาณชนแล้วก็เราไม่ลืมที่จะทิ้งสินทิ้งธรรมแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติหาความสุขตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าท่านทรงวางเอาไว้คือหยุดไม่วิ่งตามอารมณ์ทั้งหลายทั้งพวงเหล่านั้นเริ่มต้นด้วยการให้ทานรักษาสินเพื่อตะล่อมเข้ามาตะลอมเข้ามาเพื่อสมถะสมถะก็เพื่อวิปัสสนาวิปัสสนาก็เพื่อสมถะสมถะก็เพื่อวิปัสสนาเพื่อความรู้เพื่อความเข้าใจรู้ที่ไหนรู้ที่ใจของเราพยายาม ลงที่ใจของเราพยายามปล่อยที่ใจของเราพยายามรู้เท่าทันที่ใจของเราพยายามตั้งสติกำนับจดจ่อที่หัวใจของเราสติปัญญาความรู้ความเข้าใจเหล่านี้จะเพิ่มพูนทวีคูณขึ้นมาได้ในหัวใจของเราเราก็จะประสบความสุขความเจริญตามสิ่งที่เราหวังพึงปรารถนาได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเพราะฉะนวันนี้น่าจะพอสมควรแก่เวลาเวลาเท่าไหร่แล้วพอสมควรแก่เวลานะ <c oughs> เนี่ยเยที่ยงเท่าไหรนะเที่ยง56ก็เป็นเวลาพอดีอเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่เราได้ฟังอัดฟังธรรมมาพวกเราก็ไม่ท้อถอยตั้งใจพิจารณาขวนขวายสร้างอัดจัดธรทำทั้งทานเออทั้งใจรักษาศีลเออทั้งตั้งความเลื่อมใสศรัทธาในคุณของพระพุทธเจ้าในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์ ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญเข้าสู่หัวใจไม่ว่าตอนไหนระยะไหนเวลาไหนปีเก่าปีใหม่ไม่สําคัญทําดีที่ไรเราได้ความดีทําชั่วที่ไรเราได้ความชั่วความดีให้เราได้รับความสุขความเจริญความชั่วทําให้เราได้รับความทุกข์ยากได้รับความลําบากสิ่งที่เราตั้งออกตั้งใจทําทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มีผลมีอานิสงส์ เพราะฉะนั้นขอผลอันนี้สงทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จงตามอำนวยอวยชัยให้เราทั้งหลายประสบความสุขความเจริญตลอดปีเก่าปีใหม่นี้โดยทั่วกันมีปัญหาอะไรครับประรอบสุขกันฟังได้บ้างนิดหน่อย <c oughs> <c oughs> ไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวหลับตาอีกทีกันนู่นเท่าไรกับมรลุ เอออืมเอ่อพูดอะไรให้ยาวไปก่อนี้ไม่ได้หรอกเอาเป็นหลักๆเอาแค่นี้แหละเอออืมเอ่ออืม พอดีห้ปให้พอดีก็จบพอดีอเวลาเวลาจากัดน ะ, ะต่อไปให้พอเนา ะ, ะให้อโอ้เต็มเหมือนกันนะห้องนี้นะห้องใหญ่ๆนี่เต็มได้เหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> ยะทาวาริวหาปูราปริปูเรนติชาขรังเอวเมวิโตทินนางเปตานางอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิชตุสเพปูเรนตุสังกาปาจันโทปนระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิตโยวิวัชชนตุสภโรโควินัสตุ มาเตผวัตวันตารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจังพุทธาปจายโนจตาโรธรรมาวันติอายุวโนสุข้างพระลังภวะตุสับพมังฆลังรักขันตุสปเทวตาสัพพุททานพาเวนชะตาโสธีพรวรรตุเตผวะตุสับพมังฆลังรักขันตุสปเทวตา สัพพธรรมานุภาเวนะสธาโสตถีพระวันตุเ ต, พ, ตพระวุศสัพพมังฆาลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังคาุภาเวนะสธาโสตถีพระวันตุเต